พระผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ได้รับการกลันกรองมาแล้วอย่างเต็มที่จึงควรที่จะใช้ความคิดอ่านใ่ตรอง ให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นๆจึงจะมีความฉลาดรอบตัวรอบใจไปโดยลำดับแล้วทันกับสิ่งที่พาให้จิตแสดงออกอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางไม่ดีทานี้แต่ศัก แต่ว่าการเดะนไปการมาการทำความภาคเพียรเช่นการเดินจงกรมนั่งสมาธิเที่ยวพาวนาในที่ต่างๆแต่ไม่ได้ใช้ความคิดอ่านใจตรองตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนั้นผลไม่ค่อยจะปรากฏมักจะแสดงออกในความสแสลงต่ออัดต่อธรมเสมอ หากผู้ใช้สติปัญญาถือโดยถือหลักธรรมเป็นพื้นฐานเป็นทางเดินหรือเป็นเข็มทิศอยู่บ้างแล้วก็ย่อมจะได้สติปัญญาอุบายต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆเช่นท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขา ท่านมีความมุ่งหมายอย่างไรจึงสอนให้อยู่ในป่าในเขาในลุกขมูลโลวไม้ปฏิปทาเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างเต็มที่หรือเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้ผลเป็นที่พอพระไทยทั้งเหตุก็ประจักษ์โดยพระองค์เองเป็นผู้ดำเนินทั้งผลก็ สัมผัสสําพันธ์ในพ ร, พระไทยอยู่สม่ำโดยสม่ำเสมอจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจน ถ, ถึงได้รับผลเป็นที่พอพระไทยแล้วนำทมเหล่านี้ออกมาแสดงเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับเป็นทางเดินของผู้ดำเนินตามเช่นภิกสุบริษัทเรา หรือสาวกท่านดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวนันนี้ท่านไม่ทำศักิ์แต่ว่าทำเพราะธรรมนั้นเป็นธรรมที่การ ก, กรองอย่างละเอียดที่ท่วนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผู้ปฏิบัติตามควรจะใช้การใส่องให้ดีในทุกกรณีที่ตนจับ พึงเกี่ยวข้องหรือพึงธทรรมนั่นแหละอุบายต่างๆจึงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอุบายที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาโดยธรรมแล้วย่อมจะเป็นธรรมเครื่องสังหารกิเลสอันเป็นตัวฆ่าสิทธิ์ซึ่งทาให้เราโง่อยู่เสมอนั้นออกไปได้โดยลำดับตามทางของศ า, ศาสดาไม่มีทางสงสัย เพราะธรรมนี้ไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่เวลาเวลาพอที่จะคือเอลือสมัยไม่ทันกับเหตุการณ์คือกิเลสซึ่งเป็นค่าสิบของธรรมหรือค่าสึกของเราต้องทันกันเรื่อยๆไปเพราะอุบายที่เดินดำเนินตามหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแล้วนี้เป็นอุบายเพื่อสังหารกิเลสโดยตรง ไม่ใช่เพื่อหลอกเพื่อดวงตนเองและส่งเสริมกิเลสให้เจริญมากมูลขึ้นภายในใจสังที่พวกเราทั้งหลายสําคัญมาตนปฏิบัติแต่เป็นการส่งเสริมกิเลสอยู่ภายในตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวในเวลานี้นี่ผิดกันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นท่านสอนให้ไปอยู่ในปา่าในเขาในถ้าหรือในเนื้อมผาลุกขมูลลมไม้ด้วนแล้วตั้งแต่สั่งสอน หรชี้บอกทางอันเป็นชัยสมรและภูมิอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติไม่สงสัยว่าสถานเหล่านี้จะคืจะลาสมัยจะไม่ทันกับเหตุการณ์คือการต่อสู้กับพิเลตอุบายต่างๆที่ทรงสั่งสอนนั้นเป็นงานของจิตที่จะพึงทําในสถานที่ดังกล่าวนี้ก็เหมาะสมกันอย่างยิ่ง ท่านสอนย่อเบื้องต้นก็เกษารวมานขาทันตาตะโจเราพึงพิจารณาดูตามน อ, อาการที่พระองค์ทรงสอนไว้นี้ด้วยความจดจ่อต่อเนื่องทางสติปัญญาดูสิจะเป็นอย่างไรบ้างทมเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่โลกติดไม่ได้ติดอะไร ใหญ่โตมากยิ่งกว่าติดสิ่งที่กล่าวมานี้กิเลสตัวใดไม่ใช่เป็นกิเลสที่หนานแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสแห่งประเภทความหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศใหญ่โตขนาดไหนไม่มีอะไรใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้แต่ไม่เป็นอุปสรรคกับจิตใจที่จะไปติดไปปัวพัน ถึงกับเกิดความทุกข์ความทรมานตนให้เลยรับเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นอกจากสิ่งที่พระองค์ประกาศสอนไว้นี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเกษาลมานขาทันตาตะโจครอบไหมโลกธาตุนี้จิตเราจดจ่ออะไรหลงอะไรรักอะไรชอบอะไรพัวพันกับอะไร ขณะจิตที่คิดออกมาคิดเรื่องอะไรก่อนคิดเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นก่อนอื่นก่อนใดแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสพัวพันจิตใจให้แน่นหนามันคงหรือ ม, มืดแปดทิศแปดด้านจนหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงว่าภูเขาทั้งลูกก็ดีแผ่นดินทั้งแผ่นที่เหยียบย่ำไปมาก็ดี อินฟ้าอากาศหรือไม่ทราบว่ากีจักรวาลดังที่ท่านสอนไว้ในอัฏในธรรมว่าสิ่งเหล่านี้ใหญ่โตไหมเอามาเทียบกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงแนะทรงบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นภยัยเป็นภัยนี้เราลองเอามาเทียบดูสิสิ่งนั้นไม่ได้ประกาศอย่างถึงพระไทย ออกมาอย่างถึงใจของพวกเราเลยนอกจากนี้เป็นสิ่งสำคัญเท่านั้นขณะบวชที่แรกก็ประกาศกังวาลขึ้นกับพระซึ่งอุปสมบทใหม่ปะเกซ่าโลมานะขาทันตาตะโจให้พิจารณาไตรตรองให้ดีทั้งทางอนุโลม ต ะ, ตะโจดันตานาขาโลมาเกสาทางปฏิโลย้อนหน้าถอยหลังพินิพิคนาให้ดีสิ่งเหล่านี้แลเป็นสิ่งที่ปิดบังจิตใจของโลกให้มืดมนอนทการอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากลางคืนกลางวันไม่มีสิ่งใดที่ทํทำจิตใจให้มืดให้รุ่มหลงให้ติดพันและสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองมากยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากที่สุดหนานแน่นที่สุดและแก้ยากที่สุดไม่มีใครจะแก้ได้ถ้าไม่มีองค์ศาสดาเป็นครูสอนก่อนและเว้นศาสดาซึ่งทรงสยํามพูเท่านั้นจะอุตริไปรู้โดยลําพังตนเองนี้เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้หนานแน่นมากที่สุดจนหาทางแหวกว้ายออกไม่ได้เลยถึงกับไม่สนใจที่จะแวกว้ายออก จากสิ่งอย่างนี้นอกจากจะเห็นว่ามันเป็นขุนทั้งทั้งที่มันเป็นมหันตโทษมหันต์ทุกบนหัวใจสัตว์ให้เกิดแจกเจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยการเกิดแจกเจ็บตายก็แบกทุกไปทุกพบทุกชาติ mm. เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นสาเหตุไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเลย mm. เนี่แหละการสอนสถานที่จึง สอนเน้นหนักลงไปในสถานที่ที่พระองค์ทรงดําเนินมาแล้วและได้ผลเป็นที่พอประทัยว่าเหมาะกว่าสถานที่อื่นใดทีว่าจเจริญเจริญกันนั่นมันจเจริญเรื่องของกิเลสตัณหาอาสะวะพอกหัวใจของสัตว์โลกให้มากมูลหนุนขึ้นเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทํากิเลสให้เบาบางลงได้เหมือนสถานที่ที่ท่านสอนอย่างเน้นหนัก ทุกระยะทุกองค์ของพระที่ได้บวชในพระพุทธศาสนานี้ว่าลุกขมูลเสนาสนางังเป็นต้นนี่ทรงสอนออกมาจากความซึ่งพระไทยที่ได้ผลจากสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างเต็มพระไทยเช่นเดียวกันจึงไม่ได้สอนเล่นๆสอนอย่างหนักแน่นสอนอย่างพิณิพิจารณาสอนอย่าง ที่เคยได้เห็นผลประจักษ์มาแล้วไม่มีอันใดสงสัยผู้ไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเช่นลูกขมูลล้มไม้ประเภทต่างๆคือลูกขมูลล้มไม้ตามธรรมดาและลูกขมูลล้มไม้ซึ่งเป็นที่เปรี่ยวหน้าหวาดเหวี่ยวหน้ากลัว และเป็นลุกขมูล ท, ที่น่ากลัวยิ่งเข้ากว่านั้นยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกทั้งกลางวันกลางคืนนี่ลุกขมูลประเภทนี้เป็นลุกขมูลที่จะให้ผู้บาเพ็ญทั้งหลายตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งสติตั้งท่าทางต่อสู้โดยทางสติทางปัญญาเพื่อหาทางออกและเพื่อหาทางแก้ไขสิ่งที่เป็นภัย เบื้องต้นก็คือความกลัวของเรานั่นแหละเป็นไพร์ไปหมายเอาสิ่งนั้นว่าเป็นไพร์หมายเอาสิ่งนี้ว่าเป็นไพรโดยลําพังแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นภัยจริงๆด้วยบวกกันเข้ากับความกลัวของเราจึงเป็นหันตะไพรอันใหญ่หลวงที่เราจะต้องได้ห้ามหันกับมันด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาแยกแยะ ก, กัน ให้เห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งเหล่านี้จนถึงกับจิตแยกตัวเข้ามาสู่ความสงบคือเกาะเป็นที่กำบังได้อย่างปลอดภัยคือจิตสงบได้ด้วยการพิจารณาทางสติหรือทางปัญญานี่นี่แหละหลักใหญ่ของการปฏิบัติจึงเป็นความหมายอันหนัก เป็นความหมายที่แน่นหนามั่นคงเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากในคำว่าลูกขมูโรเซนนาสนังตามทางพระองค์ที่ทรงดาเนินมาแล้วตลอดสาวกทั้งหลายมักจะผ่านลูกขมูโรเซนนาสนังนี้มาเราอยากจะพูดว่าเกือบร้อยทั้งร้อยมีแต่ผู้ที่ผ่านเรื่องความเด่นตานี้มาทั้งนั้นผู้เข้าไปอยู่ลูกขมูลเล่มไม้เราดูที่อย่างประเทศอินเดียเป็นยังไง ในตำหนับตํานาก็ปรากฏอยู่แล้วว่าเสือเคยกินคนด้วยเสือเคยกินพระด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นทําไมสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายการไปอยู่ในปา่าในเขาในลุกขมูลร่มไม้ดังนั้นหาความปลอดภัยได้ยากยิ่งอยู่ลุกขมูลร่มไม้ที่เปียเปียๆโดยแล้วเอาอะไรมาเป็นเครื่องกัก้นกลางให้เกิดให้มีความปลอดภัยเราไม่มีนอกจากทำเท่านั้น จะเป็นเครื่องปลอดภัยภายในจิตใจของตนแม้ชีวิตจะหาไม่เพราะสิ่งเหล่านั้นทาลายก็ตามแต่จิตนี้จะไม่ปราบจากหลักธรรมที่ตนยึดอย่างแน่นหนามั่นคงนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของตาไปเสียแต่จิตนี้ไม่เสียท่าเสียถีจา ก, การดำเนินนี่ล่ะท่านพากำเนินมาเช่นนี้พระพุทธเจ้าคพระษาวกาวกอน การสอนจริงให้จะให้ท่านสอนไปอย่างอื่นนั่นใครจะไปถนัดใจลราก็เมื่อรู้เห็นเหตุผลต่างๆเต็มหัวใจแล้วด้วยวิธีการเช่นนี้ด้วยสถานที่และการกระทําเช่นนี้แต่แล้วไล่ไปสอนสถานที่อื่นๆเรียกว่าเกาในสถานที่ไม่ขันอย่างนั้นใครจะเกาได้ลงคอใครจะสอนได้ลงคอเรา ต้องสอนจุดที่เคยได้รู้ได้เห็นได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วทั้งนั้นด้วยความเต็มหัวใจไม่สงสัยในการสอนเพราะได้สัมผัสัมพันกับสิ่งเหล่านี้มาแล้ว น, นี่นะการดาเนินด้วยการพินิจพิจารณาในความหมายของแต่ละสิ่งนั้อย่างที่พระองค์ประทานโอวาทให้แก่พวกเราทั้งหลายมีลุกขมูลเป็นต้น อันนั้นก็ตามถ้ามเมื้อผาชายป่าในเขาในป่าโรคชัดซึ่งเป็นสถานที่ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยความมีสติท่าต่อสู้มีปัญญาท่าหาทางออกเสมอไม่ใช่นอนจมอยู่เหมือนหมูจมปลักนั้นเช่นนั้น ผู้พิจารณาผู้ปฏิบัติตามจึงควรใช้การพินิษพิจารณาในความหมายแห่งธรรมทั้งหลาย ท, ที่ทรงแสดงไว้แล้วเหล่านี้อย่างไรก็ไม่พ้นที่จะเห็นประจักษ์ในตนขณะที่บำเพ็ญอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี้ต้องเห็นจะชัดถ้าเป็นนักต่อสู้นักพิจารณาตามพระโอวาทที่ทรงสอนแล้วจะไม่เป็นอย่างอื่น เพียงนี่เราเพียงตัวเท่าหนูเราก็ได้เห็นประจักษ์มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หุนแล้วและกล้าที่จะพูดต่อเพื่อนฝูงไม่เพียงแต่ว่าเป็นเพราะว่าที่ทรงสั่งสอนมาแล้วว่าลุคโมูรเซน่าสนัง่งหรือในป่าในถ้าเงื่อมหาอันเป็นที่เปี่ยกๆหน้าหวาดเสียวหน้ากลัวต่อภัยทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งนั่นเลยนั่นเป็นพราะว่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงรู้ทรงเห็นมาแล้ว อะไรนะ่าจะที่จะเป็นพยานหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าพระโอาวาสนี้เป็นพระโอาวาสที่แม่นยําที่สุดต่อผู้ปฏิบัติก็ต้องเราเป็นผู้เข้าทดสอบกันให้ได้เห็นดําเห็นแดงกันในการอยู่สถานที่เช่นนั้นและการบําเพ็ญตนตลอดถึงการประสบเหตุการณ์ต่างๆในสถานที่ดังกล่าวนี้แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรต่อการต่อสู้สิ่เหล่านั้น แล้วสติปัญญาจะมาเองที่แรกเขาก็คาดก็หมายว่าจะทําอย่างนู้นบ้างจะทําอย่างนี้บ้างแต่พอไปเจอสถานที่ดังกล่าวเหล่านี้เข้าไปจริงๆแล้วสติปัญญาจะพร้อมกันทันทีทันใดเรื่องศรัทธาความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะหมุนตัวเข้าสู่จิต ด, ดวงเดียวนี้เพราะทําอยู่ที่จิตทําสัมผัสที่จิต ทำเกิดที่จิตเมื่อเราระลึกระลึกเมื่ออะไรเกิดเมื่อนั้นเช่นนึกพุทโธนั่นขึ้นแล้วเห็นไหมธรรมโมปรากฏขึ้นที่จิตแล้วสังโฆปรากฏขึ้นที่จิตแล้วไปปรากฏที่ไหนที่ตาหูจมูกเลี้ยงกายไม่มีมีอยู่ที่กิตแห่งเดียวเพราะฉะนั้นทำท่านจึงบอกว่าทำเกิดที่ใจอยู่ที่ใจสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจให้ระลึกขึ้นที่ใจปฏิบัติต่อตนโดยทางใจ มีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมรักษาเป็นของสำคัญมากนี่เมื่อเราได้เข้าสู่สงครามทำหน้าที่ตามที่พระองค์ท่านสอนจริงๆแม้จะไม่มากม า, กายกายกองพิสดารไปอะไรนักหนาก็ตามเพียงภูมิของเราเท่าหนูนี้เราก็จะทราบหรือเราทราบได้โดยไม่ต้องสงสัยเห็นกันได้อย่างชัดเิน เช่นความกลัวกลัวจนขนาดตัวสั่งถึงกับจะหาที่โปรงที่วางไม่ได้แล้วตัดสินใจกันอย่างไรล่ะเมื่อจะหาที่โปรงที่วางความกลัวนี่มาได้กรงลงที่ความตายตายกับพุทธะตายกับธรรมะตายกับสังขะที่เกิดที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่สนใจที่จะแยกจิตให้สายแสบไปหาสิ่งใดก็ตามที่เห็นว่าเป็นภัยนอกจากสิ่งที่ไม่เป็นภัย คือเป็นคุณล้นล้วนได้แก่ธรรมที่อยู่กับใจนี้เท่านั้นนั่นเมื่อจิตหมุนติ้วอยู่กับธรรมล้วนนี้แล้วจะเป็นพลังขึ้นมาที่ใจของตัวเองเพราะธรรมเกิดที่นั่นแล้วสร้างกําลังฟักตัวขึ้นที่นั่นสร้างกําลังขึ้นที่นั่นอย่างรวดเร็วด้วยความสนใจใคร่จะรู้จะเห็นใครจะเพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมโดยแท้ธรรมย่อมปรากฏขึ้นมาถึงกับเป็นความ สว่างกระจ่างแจ้งความสงบความแน่นหนามั่นคงของใจภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความแน่นหนามั่นคงของใจใจจึงเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความลึกซึ้งความละเอียดความแยบข่ายความแน่นหนามั่นคงใจเป็นที่หนึ่งทั้งนั้นเมื่อได้ปรากฏเข้าอย่างนั้นแล้วกับตัวเองทําไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนว่าให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้น เพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์และปฏิบัติต่อตัวเองถึงกับเห็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นสักขีพยานต่อธรรมทั้งหลายว่าท่านสอนนั้นทาเป็นสวกขาทำโดยแท้เพราะใจเป็นเครื่องยืนยันใจเป็นผู้ยืนยันเมื่อใจเป็นผู้ยืนยันแล้วย่อมจะเชื่อพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องเห็นองค์ท่านพระองค์ท่านก็ตามถอะธรรมนั่นแหละคือองค์ของศาสดาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็เวลานี้เราเห็นอะไร สมาธิธรรมก็เป็นธรรมแล้วใช่ไหมความแน่นหนามั่นคงอย่างถึงใจคือสมาธิธรรมอย่างละเอียดนั่นก็เป็นสมาธิธรรมนั่นก็คือองค์แห่งธรร ม, มเมื่อเห็นองค์แห่งธรรมนี่แล้วดูแลกในหัวใจของเราทาไมจะสโสตโองไสบุเจ้าว่าสอนผิดไปและยิ่งกว่านั้นสติปัญญา ย, ยังสามารถแยกแยะสิ่งทั้งหลายออก ให้แตกก็จะกระจายเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุต่างๆออกจากความเป็นความตายออกจากความกลัวความอะไรไปเสียหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วกลัวอะไรจิตก็มีแต่ความจริงเต็มหัวใจแล้วกลัวอะไรความจริงความจริงไม่ใช่เรื่องกลัวความปลอมต่างหากมันกลัวนั่นเมื่อความจำปลอมมันออกจากหัวใจหมดแล้วเหลือแต่ความจริงล้วนกลับทำเป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้ เป็นสักขีพยานขององค์ศ า, ศาสดาและกราบพระองค์ท่านอย่างสนิทไม่สงสัยในสถานที่ที่กลัวๆในขณะก่อนนั่นแหละแต่กลายเป็นสถานที่กล้าที่สุดในหัวใจของผู้ปฏิบัติขึ้นในเวลานั้นและเป็นองค์คัพยานแห่งศาสดาโดยไม่ต้องสงสัยในตัวเองนี่แหละการปฏิบัติ <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็เรียกว่าเห็นธรรม การเห็นทำทางด้านจิตใจกับการเห็นสิ่งต่างๆทางตารู้สิ่งต่างๆทางเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสต่างกันมากไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือว่าตาได้เห็นสิ่งใดแล้วไม่สงสัยหูได้ยินสิ่งใดแล้วไม่สงสัยจมูกได้รู้รสหรื อ, อรู้กิ่นอะไรแล้วไม่สงสัยนั่น มันใหญ่ไปคนละย่างคนละทางละทางท่านจึงเรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ทางเห็นไม่มีใครจะไปขัดแย้งตาได้หูจะไปขัดแย้งตาก็ไม่ได้หูก็เป็นใหญ่ทางเสียงทางได้ยินได้ฟังแล้วทราบชัดไม่มีอะไรที่จะไปคัดค้านได้เพียงสองประโยคเท่านี้ก็เป็นเครื่องกระจายไปหมดในอายตอ า, อ า, อาทั้งห้าทั้งหก น, นี้เพราะเป็นใหญ่ในตัวของตัวเองทีนี้จีด เป็นวิสัยที่จะรู้จะเห็นสิ่งต่างๆเมื่อได้รู้ได้เห็นขึ้นภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาคาดอะไรจะมาค้านตาหูจหมูกิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้จะเห็นจริงๆโดยหลักธรรมชาติของใจที่ที่จะรู้นั่นหละท่านเรียกว่าเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเราเห็นสิ่งใดด้วยตาเราย่อมอาจหาที่จะพูดได้ตามสิ่งที่เห็นนั้น ตามสิ่งที่ได้ยินนั้นตามสิ่งที่สัมผัสสัมพันน์นั้นๆไม่สงสัยตามตัวใจเมื่อได้สัมผัสสัมพันธรรมประเภทใดแล้วก็ย่อมจะหายสงสัยประจักษ์ใจมีความองอาจกระหายเต็มหัวใจที่จะแสดงออกได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้จึงไม่ได้ผูกขาดกับผู้หนึ่งผู้ใดจะรู้เพียงผู้เดียว ใครก็ตามได้ปฏิบัติตามสอบขาทมนี้แล้วมีสิทธิ์ที่จะรู้จะเห็นประจักษตัวเองเต็มภูมิแห่งการปฏิบัติของตัวเองและสามารถที่จะแสดงออกไ่าเต็มภูมิของตัวเองโดยไม่สะทกสถานนี่จึงเรียกว่าเห็น <ừ. S 1> การพูดด้วยความรู้การพูดด้วยความเห็นการแสดงออกด้วยความสัมผัสสัมพันธ์จริงๆแล้วย่อมจะไม่สงสัยในสิ่งที่แสดงออกทั้งหมด นอกจากเราได้เพียงได้ยินคาบอกเล่าเท่านั้นเป็นไปได้ในความสงสัยถึงจะรู้ภาษีภาษาคก็ตามว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้ น, น, นเป็นนั้นก็เป็นความจำจำมาแล้วก็ไม่พ้นที่จะมารดทวนตนเองให้เกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อตอนเองได้สัมผัสสัมพันธ์จริงๆด้วยใจนี่แล้วไม่ว่าสมาธิทำอ่ะยกถึงเรื่องสมาธิขึ้นมายกสมาธิขึ้นมา จะเป็นสมาธิขั้นใดก็าตามอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้แล้วเหรอนั่นใครมาบอกก็จิตเป็นผู้รู้สมาธิกับจิตเท่านั้นเป็นคู่เคียงกันที่จะรู้กันอย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจนะอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้เหรอสมาธิขั้นใดอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอนั่นปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่ปัญญาล้มลุกคุกคลานจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นมีความสามารถแก่กล้าถึงขั้นมหาสติปัญญา จะทราบตนได้โดยลําดับว่าปัญญาอย่างนี้ได้หรือปัญญาเกิดเป็นอย่างนี้หรือธรรมเกิดเป็นอย่างนี้หรือนักรู้ได้ชัดได้ชัดได้ชัดโดยไม่ต้องไปถามใครแหละเพราะสันติโกรพระองค์ทรงผ่านมาแล้วและสอนโลกไว้ผู้ปฏิบัติไว้ด้วยสันิติโกว่าจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นเองจากการปฏิบัติของตัวเองนแะล้ว ป, ปัญญาที่ทททว่าทําสังหารกิเลสนั้นสังหารอย่างไร เราอ่านตามกคมพีเวลาเรียนมาเท่าไหรก่ก็ตามไม่ได้ประมาทไม่ว่าท่านว่าเราเพราะการเรียนเป็นภาพความจําไม่ใช่ภาพความจริงสังหารกิเลสจึงได้แต่ความจําแล้วก็ไม่พ้นที่จะเกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อความจริงได้อย่างทราบถึงกันและกันแล้วเอาที่นี้ยกตัวอย่างเช่นการฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรนี่ก็ไม่ต้องถามใครความโลภนี่เป็นกิเลส ตัวหนึ่งความโกรธเป็นกิเลสตัวหนึ่งความหลงเป็นขั้นขั้นจนกนระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดของความหลงก็เป็นกิเลสแต่ละประเภทประเภทราคะตัณหาเป็นกิเลสประเภทหนึง่งการสังหารกิเลสเหล่านี้สังหารด้วยอะไรสังหารด้วยปัญญาฟังที่ว่าขนาดปัญญาทําไมจะไม่ทราบการสังหารกิเลสด้วยตนเองโดยวิธีการใดะปัญญาต้องทราบละเอียดละ อ, อปัญญาต้องแหลมคมปัญญาต้องรอบตัวถึงจะฆ่ากิเลสได้และฆ่ากิเลสจนถึง ที่หาแไปปวนไปโดยลาดับนาจกนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วทําไมปัญญาจะมาสงสัยตนเองถึงขั้นค่ากิเลสหมดไปจากใจแล้วก็มีแต่ความบริสุทิ์พุโทโธเด่นดวงขึ้นมาสามารถที่จะพูดได้สามแดนโลกธาตเพราะอีกเป็นผูส้สัมผัสสัมพันธ์ทําไมจิตจะพูดไม่ได้เมื่ อ, อเครื่องมือมีอยู่คือกายอวัยวะของเรามีอยู่จิต เ, เป็นผู้แสดงตัวออกมาจากความรู้กวาเห็นของตน นี่ละท่านท่านว่าการเห็นธรรมเห็นอย่างนี้ที่ว่าวิมุตต์หลุดพ้นพ้นที่ไหนก็เราติดมากี่กับกี่คันถึงเราไม่ทราบว่าตัวติดก็ตามเพราะเรื่องของความมืดดำย่อมทราบไม่ได้โดนสะดุดจนหัวแม่เท้าแตกเลือดสาบมันก็มองไม่เห็นจะว่ายอย่างไงเพราะสิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่ปิดบังมันมีอยู่ต่อเมื่อมันได้กระจายออกไปหูตาภายในสว่างกระจา่างแจ้งแล้ว ทำไมค่ากิเลสตัวไหนลงไปขาดสะบั้นลงไปจะไม่รู้เหอแล้วจิตนี้มันติดอะไรอะไรทั้งทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยรู้ก็เห็นว่าจิตนี้ติดอะไรมีอะไรผูกมัดจิตใจมีอะไรบีบคั้นจิตใจมีอะไรทับถมหัวใจจึงก้าวไม่ออกตามความต้องการของตนต่อเมื่อสติปัญญาได้ฟาดฟันหั่นแหลกเข้าไปตรงจุดที่ว่ามันมืดบอดนั่นแล้วปรากฏเป็นความ สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานี่แล้วทําไมจะไม่รู้ว่ากิเลสนี่เป็นตัวมืดแต่ก่อนบัดนี้สว่างแล้วเพราะกิเลสสิ้นไปหายไปนั่นแหละท่านมาอาโลโกวดไปความสว่างโล่ขึ้นพ่านจิตใจเพราะกิเลสสิ้นซ่างลงไปแล้วนั่นท่านแสดงไว้แล้วเนี่ยทำมาจากกัปปะตนะสินี่เป็นอย่างนี้แล้วเมื่อจิตปัญญามีความละเอียดมากเข้าเพียงไหร กิเลสประเภทใดที่ได้สังหารลงไปแล้วไม่มีเหลือก็ทราบที่ยังมีมากมีน้อยเท่าไรทราบทราบไปโดยลําดับและตามตีตามต้อนกันเข้าไปลําดับเหมือนกับไฟได้ถือไหมกันเข้าไปเผากันเข้าไปด้วยตปะธรรมได้แก่ความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องมือสําคัญจนกระทั่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พังลงหมดจากหัวใจแล้วที่นี่หัวใจเกี่ยวข้องกับอะไร ตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างไรก็ทราบแล้วที่นี่เพราะปัญญามันอย่างทราบไปหมดในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องพวพันหรือผูกมัดตัวเองในถูกทาลายลงไปหมดแล้วที่นี้ยังเหลืออะไรตามต้อนเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยภายในจิตใจนี้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ใครบริสุทธิ์ก็รู้แม้แต่เด็กอายุเจ็ดขวบบริสุทธิ์ท่านยังรู้ท่านทําไมจะไม่รู้เราขนาดนี้อายุเท่าไรหร่เื่อจะเข้า โล่อยู่แล้วเวลานี้ยังจะไม่ทราบอยู่หรือเมื่อถึงขั้นที่ควรจะทราบทราบได้ด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยเพราะธรรมนี้เป็นสรรที่สรรที่ที่ททกระทำเป็นธรรมที่จะพึงรู้ปัญเห็นด้วยตนด้วยตนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่มาผูกขาดไม่มาชี้แจงไม่มาบอกดังพระสารีบุตรที่ราชกรก็ถือพระองค์เป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องยืนยันเป็นหักฐีพยานเป็นที่พึ่งที่เกาะแต่บัดนี้ไม่พึ่งแล้วนั่นพระสารีบุตรพูดในตำรามนัน เวลานี้ไม่พึ่งแล้วไม่พึ่งพระพุทธเจ้าไม่พึ่งอะไรแล้วฟังสิย้อนกระซ้า ง, งพระผุ้ติชนทั้งหลายที่หนาแน่นไปโดยจีเดียดไม่ทราบความหมายอันลึกซึ้งของธรรมประเภทนี้เมื่อเข้ากราบภูมิร้องร้องพระพุทธเจ้าว่าพระศาริบุตรเป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิดอแต่ก่อนเคยพึ่งพระศาสดาเคยพึ่งพระองค์เคยพึ่งอะไรอะไรก็ตามบัดนี้พระศาริบุตรบอกว่าไม่พึ่งอะไรแล้ว ว่าอย่างนั้นพระสารีบุตรกลายเป็นมิจฉาลิทธิอย่างใหญ่หลวงไปแล้วเวลานี้ปัจจแต่พระองค์ฟังที่วสากสราองค์เอกไม่ได้ทรงตำหนิพระสารีบุตรแม้ประโยคเดียวนิดหนึ่งเลยทรงรับสั่งให้พระให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าในถ้ำกลางแห่งสงตามพระแห่งสงตาบอดทั้งหลายเหล่านั้นได้ให้ได้ยินได้ฟังระหว่างพระพุทธเ จ, เจ้ากับพระสารีบุตร ซึ่งเป็นจอมปราดด้วยกันสนทนาทำอันละเอียดแล้มคมที่สุดเนื้อโลกกระธาเนื้อปุตตชนทั้งเหล่านี้ให้ได้ฟังถึงกันทั่วถึงกันในเวลานั้นว่าอย่างไรสารีบูตรว่าเธอไม่พึ่งเราเธอไม่พึ่งอะไรอะทั้งนั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะนั่นฟเลยท่านทูลตอบรับพระพุทธเจ้าใช่พระเจ้าค่ะเอาเพราะเหตุอะอาชียังเหตุผลมา แต่ก่อนข้าพระองค์ได้พึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อแนะนําสั่งสอนอย่างนั้นอย่างนั้นถึงจะเข้าไปได้เดินไปได้ต้องอาศัยทำบทนั้นบทนั้นเป็นเครื่องแก้เครื่องถอดเครื่องถอนเครื่องแก้เครื่องถอดถอนเย่ทั้งหลายได้บัทนี้ข่าพระองค์ได้ถอดถอนกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วมันมีอะไรเหลือคาแนะนําสั่งสอนของของพระองค์ที่จะมาสั่งสอนเพื่อแก้อะไรอะไรอีกไม่มีนี่แหละพระองค์ข่าพระองค์จึงอยู่ด้วยความเป็นอิสระ ค้นจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังพึ่งอะไรทั้งสิ้นเวลานี้ไม่พึ่งอะไรทั้งสิ้นเพราะความบริสุทธิ์เป็นตัวเป็นธรรมชาติที่พอตัวแล้วนั่นตัางต่ออถูกตั้งแล้วสาริบุตรนั่นพระพุทธเจ้าทรงคัดค้านใหมถูกตั้งแล้วแล้วพระสารีต้องร้างแล้วสารีบุตรต้องทําตนให้เป็นอย่างนั้นอเราทศกถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกท่านจึ ง, จงกล่าวว่าตุมเห่จิตจังอาต บ, บังอัขาตาโรตถาคตา การประกอบความภาคเพียรเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงทําเองและรู้เอง <t ell an> เห็นเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ถอดถอนขี้เหลทั้งหลายให้ผู้บําเพ็ญนะอันนี้เราจะสาธกทำทั้งหลายที่แสดงนี้แสดงแนวทางแสดงวิธีการถอดถอนขี้เหลโดยประการทั้งปวงให้ท่านทั้งหลายฟังเมื่อท่านทั้งหลายได้ดําเนินตามหลักที่เราสอนนี้แล้วจนถึงกับบําเพ็ญตนให้สมบูรณ์เต็มที่หาที่เกาะที่ติด ที่ยึดไม่ได้ไม่มีอันใดที่จะมากดขีบ่บังคับจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้นแล้วนั่นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะพึงทราบตนเองโดยสันริที่โก น, นั<า>่นฟังเลยเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่พึ่งอะไรก็ถูกจะพึ่งอะไร <c oughs> เมื่อถึงขั้นพึ่งอะไรทัทง้งๆทีกก่แต่ก่อนก็เต่ะติดแนบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันทั้งนั้นยิ่งจิตมีความละเอียดเข้าไปมากน้อยเพียงไร <c oughs> ย, ยิ่ง ถ้าเป็นช้างก็เป็นช้า ง, ป, าง ป, รประจําควานทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ควานมันมันฆ่าช้างมันไม่ยอมลงต้องเป็นควานของมันเท่านั้นมันถึงจะยอมลงนี่ก็เหมือนกันต้องเป็นอาจารย์ของเราที่แนะนำถูกต้องแม่นยำวิธในวิธีการต่างๆในการถอดถอนกิเลสทุกประเภทเท่านั้นถ้าสอนผิดนี้ไม่ยอมรับนั่นหิฐและเหยเาก็ไปเท่าไหร่ยิ่ง ครูอาจารย์ยิ่งเป็นผู้ละเอียดที่จะสอนให้ถูกต้องมันยำทุกกระเบียดสอนผิดนิดนึงก็เป็นเครื่องประกาศตนภูมิของตนให้ลูกศิษย์ผู้มาศึกษานั้นฟังแล้วและขายตัวเองอยู่ด้วยว่าไงนอกจากขาแล้วยังก้าวไม่ออกอยู่ด้วยไม่ทราบจะก้าวไปยังไงสอนอย่างนี้สอนไม่ถูก น, นั่นนี่แหละการสอนเป็นอย่างนี้ทำจริงละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งครูอาจารย์ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อเมื่อได้ ผ่านพ้นไปหมดโดยประการทั้งปวงแล้วสาธุเรื่องคุณค่าไม่มีอะไรยิ่งกว่าพระอรหันต์ที่จะที่เห็นคุณค่าของครูของอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรกราบไหว้พระอัศชิไปอยู่ทุกทางใดทิศใดก็าตามกราบไหว้ไปซะก่อนถึงจะนอนหรือถึงจะทำความภาคเพียนแต่พระสารีบุตรไม่ได้ปรากฏว่าจะไปถามธรรมะกับพระพระอัศชิบทใดบ้างบาตรใดบ้างที่เห็นว่าติดข้องอยู่ ยังแก้ไม่ตกไม่มีนี่แหละไม่ทูลถามพระองค์ก็เหมือนกันอันนี้นี่เรียกว่าอิสระธรรมโดยแท้ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่ารู้ธรำเห็นทำจากการปฏิบัติ ด, ด้วยการพินิจพิจารณาอย่าใช้แต่เท้าให้ใช้หัวด้วยนี่จะ ก, ก้าวเดินก้าวเดินไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาพินิจพิจารณานสิ่งต่างๆ ด้วยความแยบคายจะหาทางก้าวไปไม่ได้นะั่นเห็นไปอยู่ในปา่าในเขาในสถานที่ที่เป็นบําเพ็ญกลับไปสร้างนั้นสร้างนี้ขึ้นมาใหญ่โตละโหฐานหมดโลกสงสารยังสู้ไม่ได้นั่นมันถูกตั้งไหมกับเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะทําเช่นนั้นหรือไม่ควรทําถ้าผู้พิจารณาแล้วจะทํำไม่ลงนี่แหละเหตุผลเป็นอย่างนี้ สถานที่ในป่าในเขาเป็นสถานที่เหมาะสมกับการบําเพ็ญเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่ที่จะก่อสร้างนั้นสร้างนีให้เป็นตลาดนาฏเละขึ้นมาเต็มไปด้วยผู้ชนเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายในการก่อสร้างมันถูกที่ไหนเพียงเท่านี้พิจารณาไม่ได้เราจะหาทำอันละเอียดเราออกมาจากไหนผู้ปฏิบัติน่ะต้องคิดนี่นี่แหละเรื่องธรรมเป็นเช่นนี้ต้องใช้ เหตุใช้ผลพินิจพิจารณาเสมอจาก้าวจะเดินจะเหน็นไปไหนพินิจพิจารณาเรื่องมันต้องมีพินิจพิจารณาตามไปเสมอจึงเรียกว่าใช้หัวคิดปัญญาผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทาเป็นทำที่ละเอียดลออมากจากท่านพูดเป็นจอมปราดแล้มคมที่สุดคือองศาสดาห <S <s <aud ari> เหตุใดเราผู้มาปฏิบัติจึงโง่เง่ า, ตาเต่าตุ่นเซ่อเซ่าซา ที่ยาอาการเคลื่อนไหวเป็นมาอันใดหาความคิดความอ่านหาความจะเดี๋ยวฉลาดไม่ได้จะเอาอะไรไปฆ่ากิเลสเอาความโง่ไปฆ่ากิเลสเราก็โง่เพราะกิเลสฆ่าเราอยู่แล้วเวลานี้เรายังไม่ทราบยังไม่เห็นโทษของกิเลสบีบบังคับเราให้โง่อยู่เหรือเรายังจะเอาความโง่ไปฆ่ากิเลสได้ยังไงนอกจากจะเอาสติปัญญาศรัทธาความเพียรไปฆ่ากิเลสเท่านั้นมันเพิ่งจะถูกต้องนี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าละเอียดอย่างนั้น ละเอียดที่สุดไม่มีอะไรที่จะเกินขอให้ทํากับใจกลมกลืนเป็นเดียวกันเถอะเราจะได้เห็นหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ว่าไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนกับอะไรไม่มีอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งหมดจริงๆท่านจริงเรียกว่าโลกุต ร, รธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกคือโลกสมมุติโดยประการทั้งปวงเหนือหมดจิต ด, ดวงที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเช่นนั้นเราไม่ต้องคอยไปถามพระพุทธเจ้า พระองค์นี้ผานแล้วก็ตามแม้ยังทรงทรงพระชนอยู่ก็ไม่ถามถา ม, ถามทําไมธรรมะอันนี้อยู่กับหัวใจของผู้สัมผัสธรรมอย่างเต็มที่แล้วด้วยกันยังไม่มีอะไรจะถามกันสันติโกสันติโกโดยลําดับจนกระทั่งถึงสันติโกเต็มภูมิแล้วจะถามใครหาอะไรนี่อันนี้ก็เคยได้พูดเคยได้เทศยกตัวอย่างว่าอัญญะตระพิกขุกําลังดําเนินธรรมะ ขั้นสูงถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมขั้นของธรรมแล้วเป็นธรรมะขั้นสูงอยู่มากทีเดียวเกิดข้อข้องใจสงสัยในนา ม, มขันนี่แหละคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งสังขารวิญญาณสัญญาสังขารเป็นของสํงาคัญมากนี่ใช้กันตลอดเวลาพิจารณาเกิดความข้ อ, ของใจสงสัยในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วไปทูลถามพระพุทธเจ้า พอไปถึงใต้ถุนพระคันตากุฎีเท่านั้นฝนก็หน่าลงมาขึ้นทุนถามไม่ได้ก็ยืนกําหนดอยู่นั่นเวลาฝนตกจากหยด ย, ย้อยจากคลาคาลงมาถูกน้ําที่อยู่พื้นแล้วตั้งเป็นต่ําเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปน้ำข้างบนกับขนาน้างล่างกระทบกันปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านก็พิจารณาเทียบกับเรื่องสังขาร เรื่องสัญญาที่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปไม้แล้วดับไปสำคัญมั่นหมายอันใดแล้วดับไปดับไปเกิดขึ้นมาจากไหนดับไปที่นั่นนี่เกิดขึ้นมาจากใจดับไปที่ใจเหมือนอย่างน้ํามันมันเกิดขึ้นมาจากไหนกระทบกันที่ไหนน้ํากับน้ํากระทบกันมันก็ดับไปที่น้ํานั้นท่านพิจารณาอย่างนี้เลยบรรลุธรรมเสียถึงจุดสุดยอดแห่งธรรมเลยได้บรรลุอรหัตธรรม ในขณะที่พิจารณาฟองน้ําที่กระทบกันในขณะฝนตกนั้นเทียบกับสังขารที่เกิดแล้วดับเผิดแล้วดับอยู่ภายในจิตใจนี่แล้วหายสงสัยเวลาฝนหยุดก็เดินกลับกุฏิของตนไม่ขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าเมื่อถูกถามว่าทำไมจึงไม่ไปทูลถามก็จะถามท่านอะไรเนี่ยจึงเล่าเรื่องอันเนี้ออกมาเป็นนิทานให้เราทั้งหลายทราบนั่นแหละสันธิิโกเต็มภูมิแล้ว อยู่ที่ไหนก็รู้และศ า, ศาสดาองค์เอกถึงขั้นที่จะควรสอนตอนได้อะไรไรเป็นธรรมทั้งนั้นดังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเวลามหาพระมหาเทระถามท่านว่าท่านมัน่นท่านอยู่องค์เดียวท่านอยู่ในป่าในเขาเทั้นั้นเวลาเกิดข้อข้องใจในอรรถธรรมมาท่านไปศึกษาปรารถกกับใครพอพระมหาเทระถามอย่างนั้นท่านก็ยกมือขึ้นสาธุก็ผมขอ ประทานโอกาสไม่ได้ประมาทในสิ่งทั้งหลายโดยประการทั้งปวงกระผมฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลยเพราะความสัมผัสสัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่างจิตกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะอย่างยิ่งคือขันทั้งห้าอาการของขันแสดงตัวอยู่เสมอ ผู้ที่พิจรารณาขันคือสติปัญญาพินิจพิจรารากันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการฟังเทศทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลยพระมหาเถระนิ่งทันทีเออเธอฟังเทศเป็นเรานี่ไม่เป็นท่าท่านผัดนี่มีเราเขียนไว้ในประวัติของท่านก่อนท่านพูดเองอันนี้ชัดเจนมากทีเดียวเราเข้าถึงจิตทันทีนี่แหละเป็นอย่างนี้หละฟังด้วยนั่นแหะท่านห่อยฟังทำทั้งกลางวันกลางคืนถึงขั้นที่ควรจะได้ฟัง ควรฟังธรรมทั้งกลางวันคืนแล้วต้องฟังอย่างนั้นอยู่คนเดียวเป็นที่แนบสนิทใกลมากกว่าอยู่กี่คนก็ตามเพราะเป็นความสะดวกเนื่องจากการฟังเทศการฟังธรรมการพิจารณาธรรมทั้งหลายที่เกิดโดยอัตโนมัติโดยลําพังตัวเองกับสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติโดยลําพังตัวเองเรียกว่าภาวนามัญพยาบรรญาแล้ว ย่อมจะพิจารณากันได้ตลอดทั่วถึงทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถไม่กําหนดกฎเจนว่าเวลาเท่านั้นทำความเพียรอน น, นั้นเวลาเท่านี้ทํความอย่างนี้เพราะทํากับใจสัมผัสสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายทุกฝ่ายสมุทยัยทั้งฝ่ายมรตลุมบอลกันอยู่ตลอดจนกระทั่งไดกิเลสฝ่ายทุกสมุ ท, ทัยได้พังพินาศไปเสียจากใจและเท่านั้นเรื่องมากซึ่งหมุนตัวเป็นเตียวเป็นธรรมจกักจึงจะยุติลง โดยไม่ต้องให้ใครมาห้ามนั่นเมื่อถึงขั้นยุติแ ล, แล้วยุติเองนี่แหละการปฏิบัติธรรมทำเหล่านี้กับ ส, สมัยนี้กับสมัยขั้งพุทธการเหินห่างไปไหนคือล่าสมัยที่ไหนทุกสมุทัยมีอยู่ในหัวใจเราไหมแล้วมันล่าสมัยไหมมันหลอกอยู่ตลอดเวลาเราทําไมเราเชื่อมันอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นได้พูดเลยว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยรักแล้วสิ่งนี้เราเคยชังแล้ว สิ่งนี้เราเคยเกลียดเคยโกรธมันมาแล้วเราเบื่อมันจะตายแล้วมันเป็นเด่นไปแล้วทําไมไม่เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วทําไมจึงติดพันติดพันทั้งรักทั้งชังทั้งเียดทั้งโกรธซึ่งเป็นเรื่องของเกลียดลน้นล้วนหลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นมันคือมันล้าสมัยไอ้ผู้เชื่อก็ไม่มีคำคว่าคลึ้วล้าสมัยถ้าเป็นเรื่องของเกลียดมันเชื่อได้วันยัางค่านี่แหละที่มันหมุนหัวใจของเราให้รับความทุกข์ความลำบากแล้วมันคือมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสําคัญไปอยู่ที่ไหน มันจริงในคือเดีลยวลสมัยนั่งหนาให้กิเลสเยียบย่ำทำลายทั้งวันทั้งคืนไม่นำออกมาใช้บ้างเหรือทำไมเอาไว้ทำไมผู้ปฏิบัติไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาแก้กิเลส จ, จะเอาอะไรแก่ขัง้งพุทธการท่านเอาอะไรแก้ท่านเอาสิ่งเหล่านี้ที่เก่ามานี้มาแก้กขากิเลสกิเลสอยู่ที่หัวใจของเราหัวใจก็ไม่เคยคืไม่เคยลาสมัยรู้่ตลอดเวลาในความรู้ของตนกินะเลสมีอะไรขึ้นมาก็รู้ความทุกข์ความลําบากมากน้อยเพราะอํานาจของกิเลสก็รู้ และสติปัญญาที่จะนํามาใช้แก้กิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวกว่านี้ทําไมจะคืดทำไมจะน่าสมัยถ้าไม่เราถ้าเราไม่ตั้งตัวเป็นคนคือคนน่าสมัยฝางศาสนธรรมของพระเจ้าเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นไงไปเป็นเทวทัตก็เป็นเราเองเป็นผู้ทําลายเราทำลายอัดทําลายธรรมความจริงทั้งหลายกลายเป็นเรื่องความปอมไปหมดในหัวใจของพระกรรมฐานเราเป็นอย่างไรพิจารณาที่ท่านทั้งหลายนี่สอนมูเพื่อนจนแทบเป็นแทบตายแล้วนะ ทุกวนันทำไมมันยังไม่ถึงใจกันนะบ้างสอนนี่ไม่ได้สอนด้วยความสงสัยบอกงกงเลยเวลาเรารูคุ่ครานก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลี้ลับปิดบงังไม่ได้กลัวแล้วว่าจะเสียหน้าเสียตาไม่อํามไม่อายอายไปทําไมเรื่องดีเรื่องชั่วมันมีอยู่กับทุกคนรู้กันอยู่กับทุกคนเป็นอยู่กับทุกคนอายอะไรถ้าความอายนั้นมันปราบกิเลสได้ก็ควรจะอายแต่มันไม่เห็นปราบกิเลสมีแต่กิเลสมันเกิดปราบิดตลอดเวลาเราจะพูดตามเรื่อ ง, องความจริงของมันทําไมจะพูดไม่ได้นี่ เมลาแลลูกค้าก็เห็นจะชัดเอาจงกันน้ำตาร่วงก็เป็นนี่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆสู้กิเลสไม่ได้มันเยียบเอาต่อหน้าต่อตานเนี่ยจนกระทั่งน้ำตาล่วงโถมขนาดที่เที่ยหรือว่ากูจะมีกำลังสู้เอาเอาให้มึงพังสวัรค์ไม่ได้เหรือยังไงก็เอาเถอะน่ะหนเหมือนกับว่าผูกโกรธผูกแ้นแต่โกรธแขนอันนี้มันเป็นมากนั่นให้ท่านทั้งหลายทราบนะ คำว่าโกรธว่าแค้นเราอยากเข้าใจว่าเป็นกิเลสอย่างเดียวนี่ก็เป็นทางช่องทางให้กิเลสเอาไปใช้ใชหมดทําหาทางก้าวเดินไม่ได้กิเลสนั้นมันรุนแรงได้เต็มหัวใจของเราแต่ทํารุนแรงไม่ได้ถูกตําหนิติเตียนจากกิเลสนั่นเรายอมรับกิเลสไหมเราจะรุนแรงไม่ได้เหรือทํารุนแรงไม่ ไ, มได้กิเลสจะพังไปได้ยังไงกิเลสมีประเภทมีกี่ประเภทประเภทที่เขียบขาดที่สุดก็มีประเภทที่ละเอียดแล้มผมที่สุดก็มี ประเภทที่ยาปลนที่สุดก็มีทําไม่ธรรมะซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะปราบกิเลสหลายๆประเภทนั้นไม่จะปราบไม่ได้มีไม่ได้ถ้ามีไม่ได้เราจะบริสุทธิ์ได้ยังไงเครื่องมือปราบกิเลสต้องให้พอกันสิเมื่อกิเลสมันมันผ่าผลธรรมะต้องผ่าผลกิเลสแหลมคมธรรมะต้องแหลมคมกิเลสเคียบขาดธรรมะต้องเคียบขาดไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนะนี่แหละท่านเรียกว่ามาักเช่นอย่างการผูกโกรดผูกแคนอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของมัก คือผูกโกผูกแค้นให้กิเลสมากเท่าไรความขมักขมเแมนความมีเจรใจความมุ่งมั่นที่จะสังหารกิเลสที่มันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนั่นแหละความเพียรยิ่งหนักขึ้นไปโดยลําดับลำ ด, ดัสุดท้ายกิเลสก็พังได้ด้วยความโกรธความเครียดแค้นอันนี้ไม่สงสัยนี่นะท่านเรียกว่ามาเออไม่ใช่เออาก็จะเป็นกิเลสไปหมดเป็นกิเลสไปหมดอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานก็เป็นกิเลสอยากอะไรก็เป็นกิเลสบางเวลายีกิเลสมันเหยียบหัวด้วยความอยากของมันจน ตายแล้วแต่เราเกิดแล้วกับเราท่นี่ทาไมไม่เป็นมันมันเป็นอะไรนั่นฮะพิจารณาสิมันก็เป็นกิเลสใช่ไหมมันยังเป็นกิเลสมันยังเหยียบเราให้แหลกไปได้ทําไมเราเป็นทำจะเหยียบกิเลสให้แหลกไม่ได้ถ้าไม่โงอกของกิเลสจนเกินไปให้กิเลสเอาเครื่องมือคือทำทั้งหลายไปใช้เป็นเครื่องมือมันสัมดเพราะความโง่ของเราเท่านั้นเอาให้มันจริงมันยังที่นักปฏิบัตินี่แหละธรรมะเครื่องปราบกิเลสถึงคราวเด็ดมันต้องเด็ดมันหนักเป็นในหลักธรรมชาติของตัวเองฮ เมืาได้ก้าขึ้นสู่เวทีแล้วคือต่อสู้กิเลสแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยถึงขั้นไม่ถอยว่าแพ้ไม่มีนอกจากเอากิเลสไม่พังก็เราพังเท่านั้นแต่ความมุ่งมั่นเต็มหัวใจนั้นถือว่ากิเลสต้องพังอย่างเดียวเราไม่พังจะให้กิเลสพังอย่างเดียวสุดท้ายกิเลสมันต้องพังไม่ต้องสงสัยเลย mm hmm. เพราะธรรมะพี่เผ็ด ร, ร้อนทันกันกับกิเลสทําไมจะฆ่ากิเลสไม่ได้ล่ะนี่การปฏิบัติมันถึงจะได้ทันกัน นี่ธรรมะเหล่านี้คือร้าสมัยที่ไหนมันอยู่กับหัวใจทุกสมูทัย ม, ม, ม, มันมันทันสมัยเมื่อไรเท่าเท่าไรมาร ก, ก็ต้องทันสมัยเช่นเดียวกันออแล้วนีโรคก็จะเป็นความดับกิเลสเอาได้โดยลำดับพร้อมหน้าของมากมีกําลังกล้าสามารถนั่นเองนีผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงคำหนึ่งเสมอเราอยาให้แต่กิเลสมันเอาไปใช้หมดถ้าเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วไปใช้หมดใช้หมดเอาจะถึงคราวที่เดือดเด็ดลงไปมันควรตายาตายเถอะนะ โรคก็นี้มันเกิดมาแล้วตายนะเราตายด้วยการต่อสู้ในสงครามระหว่างทำกับกิเลสแล้วให้เห็นนอะอืกุศลาธรรมาของเรามันไม่ฉลาดทันกิเลสแล้วให้กิเลสมันกุศลาเสียด้วยความฉลาดของมันถ้าถ้าว่าเรามีความฉลาดแหลมคมพอแล้วกุศลากิเลสให้มันแหลกกระแตกกระจายไปหมดจากหัวใจนี่นี่เลิดเลยล่ะนี่ถ้าลงถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรแล้วจะเสมอไม่มีอะไรเทียบแล้วนี่ทําท่านเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอย่างนั้นในกิเลสเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติจ้องคํานึงเสมอให้ใช้สติปัญญาอย่ามาอยู่กับวกงนันเงินเด่นดันด้านมองไปไหนก็ขวางหูวของตามันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกแสดงออกรอบตัวอยู่มันไม่เห็นมีธรรมแสดงออกมาเลยผู้ปฏิบัติยังไงจึงเป็นอย่างนั้นมันทําให้คิดนะเอ พเพราะอะไรเพราะผู้สอนนี่สอนแทบเป็นแทบตายสอนเพื่อความรู้ความฉลาดให้ท่นนานกลมกายของกิเลสทุกเนี่ยทุกมุมที่มันมีนะเข้าใจและแสดงออกมาให้เห็นไม่ให้มันมีเหลือเลยด้วยอำนาจแห่งความฉลาดของธ ร, รรมที่สอนนี้นะเรามุ่งอย่างนั้นต่งงางหาก น, นี่วันนี้อธิบายถึงเรื่องวิธีการต่อสู้กับกิเลสให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเอาให้ถึงใจธรรมะอยู่ที่ใจเพราะกิเลสดูที่ใจ กิเลธพังไปแล้วใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งอันน่นเองแล้วมันเห็นที่ใจนีผู้ปฏิบัติเราอยู่เฉยๆเอาเดินโยกมก็เดินจนมั น, ม, นมื่อยมันจะตายให้เห็นดูซิป่ะเหมือนเขาทํางานทั้งหลายเนี่ยเขาทํางาน ท, ทั้งหลายนั่นอ่ะเขาเกือบเป็นเกือบตายน ะ, นะเราหาความเพียรไม่ได้หาความอดทนไม่ได้เพียงเดินโยกมจับจอกเพื่อแต่จะตายแล้วมันได้เรื่องอะไร ก็เหมือนกับเขาทํางานนั่นสิทาเหมือนเขาทางานเอาเดินยงกลมเดินมันจะเป็นยังไงดูความทุกข์มันเมื่อยมันหิวขนาดไหนเอาดูกําหนดดูมันจะเป็นยังไงให้ถึงเหตุถึงผลถึงทิศถึงขิงกันมันถึงจะได้คําพูดออกมาพูดด้วยจากจากการเดินยงกลมเมื่อเมหิวจะจะเป็นจะตายมันเป็นทําขึ้นมาให้เราได้นํามาพูดดื้อเป็นคติสอนเราเป็นอย่างดีไม่สงสัยเอานั่งก็เหมือนกันถึงเวลาที่จะฟาดกันลงให้สะบ้นหันแหลกอ่านั่งลงไปปัญญาอย่าถอย อย่าไปนั่งเฉยๆทนเฉยๆไม่ใช่เรื่องความเพียรเดินจงกรมเฉยๆไม่มีสติปัญญาไม่เรียกว่าความเพียร น, นั่งเฉยๆแล้วอยู่อียบทใดก็ตามอยู่เฉยๆสู้เฉยๆสู้กิเด็ดด้วยความทนเฉยๆยาเอาไปใช้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้า <c oughs> ต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องห้ามหันเัินเสมอสู้กันด้วยสติสู้กันด้วยปัญญาสู้กันด้วยความปากเพียรไม่ถอยนี่จึงเรียกว่าการต่อสู้เอามันจะเมื่อยจะหิวขนาดไหน ก็มันเมื่อมันหิวด้วยการต่อสู้แบบนี้นี่แหละแล้วยังไงก็จะได้เหตุได้ผลออกมาเป็นคติเครื่องเตือนใจเครื่องสอนใจตนเองฝังอย่างลึกภายในใ จ, ใจิตใจไม่มีวันลืมเอานั่งมากไปยังไงสู้กิเลสในขณะที่เรานั่งมันจะเป็นจะตายเวลาจะตายมันยิ่งหนักยิ่งกว่านี้เรานั่งอยู่นี้มันไม่ได้ถึงขั้นตายแล้วมันทำไมจะสู้ไม่ได้เอา้าทุกันมาจากไหนกําหนดดูเรื่องของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายของเรา มันเป็นยังไงเมื่อใจได้หนักแน่นในการพิจารณาแล้วทุกจะไม่มีภายในจิตใจจะไม่แสดงนอกจากเรื่องความทุกข์ภายในร่างกายเจ็บปวดแสบร้อนต่างๆมันจะแสดงขึ้นเต็มภูมิของมันสติปัญญามีฝ้าให้เต็มภูมิของสติปัญญาแล้วจะทราบกันในเรื่างนั้นและแยกกันออกทุกก็สักแต่ว่าทุกอือะไรแลๆก็สักแต่ว่านั่นๆเท่านั้นความจริงเต็มส่วนในหัวใจแล้วอยู่สบายแล้วเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนภายในจิตใ จ, จ นี่ได้คติมาแล้วขั้นนี่แหละพิธีการพิจารณาผู้ปฏิบัติเนี่ยอะไรหยอกหยอกแย่ๆมีแต่เป็กลัวเป็นกลัวตายเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้น่าอะไรหลังไม่ได้เหน็ดได้เหนื่อยอะไรเลยดูสิเขาทํางานเขาแทบเป็นแทบตายเราไม่ไดเรื่องใมดเล่าอะไรงานของเราก็เช่นเดียวกับงานของโลกถึงคขามันหนักต้องยอมรับ ออหนเกก็หนัก เ, เป็นยังไงวาดึงให้มันถึงขีดถึงขีดถึงแดนนี่นสิเรียกว่าเป็นผู้ประกอบความภาคเกียรอืเอาจะเอาแค่นี้แหละ